ล้วนจะมีติดบทภาวนาทั้งนั้นเที่เราสวดเมื่อกี้นะเราสดวาสดบทเวทนาสวดบทจิตสวดบทธรรมในข้อเดียวคือเนี่ยบทห้าบทเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนา ดุขมสุขเวทนาสุขมีอมิตรสุขไม่มีอมิตรนี่ยารกลงว่าเนะี่ยวิตระกลงว่าตระกลงจิตันติปจานติวตสรกลงว่าจิตันติปัจานติิท ม, มีสุขรู้ว่สุขสีติเอเวทนามีมสุขรูว่สุขเวทนามีสุขประกอบด้วยอมิตรรวสุข เวทนาคือสุขประสิทธิ์อมิตรกรูรู้ว่าเวทนามีสุขประสิทธิ์อมิตรโหละเอียดเ้ยถ้าให้ให้เราไล่วี่ตามให้ทันขณะของจิตไม่ปล่อยให้ขณะของจิตมันว่างมันทำให้เกิดช่องถ้าที่จริงจิตของเราถ้าเผื่อเราตั้งความกำหนดจดจ่อจจให้ต่อเนื่องพื้ดได้นี่มันไม่มีช่องจริงๆนะ มันไม่มีช่องเราตั้งให้สงบร่๊ก็รก่องมีความ ส, สงบมีความสุขมีความเยือกเย็นอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีมันไม่มีอย่างอื่นตามร่๊เข้าไปนะมันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกเข้ามันสำ ค, คัญว่าจิตเราเนี่ยมีสติแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่นี่ตรงนี้เราต้องฝึกเอาตัวนี้สําคัญที่สุดสติตัวนี้เราต้องฝึกเอา ผู้ที่รู้เด่นที่สุดรู้ชัดที่สุดรู้เด่นที่สุดรู้เบารู้โปร่งรู้โปรงตัวในขณะปัจจุบันนี่แหละเรียก ว, ว่าจิตมีสติตัวนี้แหละเราเราจะต้องสะสมเราจะต้องจับให้มันพื้นให้มันต่อเนื่องพยายามเอาไปฝังไว้ในจิตเอาจิตมะมกอยู่กับอารมณ์นี่แหละมะมกอยู่กับอารมณ์ที่มีสติ คลุมอยู่มีสัมปชัญญะคลุมอยู่คลุมจิตสติกับสัมปชัญญะเนี่ยคลุมจิตเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอันเดียวกันจิตของเราจะได้โรอ ย, อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพียงที่เราไม่ต้องทําอะไรกําหนดย้อนเขาไปดูจิตมันโรอยู่ก็โหยมีความสุขมีความสุขมีความเยือกเย็นมีวุ่นกับทุกอย่างสารพัดที่เวลาเราปล่อยออกมาเนี่ยเวลาเราออกมาแล้วพูดวายละ วุ่วายกับเสียงกับรูปก็ดูที่เสียงเราเราก็มาจดจอดูก็มาจดจอพิจารณาตามไปต่อเนื่องอยู่กับที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเสร็จแล้วคนเราเลิกเราเดินมาในที่ในที่ชุ่มลมหมูเราเนี่ยยังจอแ จ, อ จ, อจอ้าเ จ, อ จ, อ จ, อจอ้าเจเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าก็ก็คิดคิดโอ้ยมันขัด <laughs> มันขัดอ่า มันขัดกับจิตที่จิตที่มันเคยสงบมันอยู่เย็นเป็นสุขของมันเนี่ยใครทําได้ถึงขนาดนี้อะแสงดงคนนั้นเริ่มเริ่มจะหาความสงบให้กับตัวเองละเริ่จะตีตัวออกห่างจากหมูละเพราะการเข้าไปหาหมูที่วุ่นวายหมูขคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรดอกรุนจานวุ่นวายสารพัด บ, บ, บเกเป๊กเบกอยู่นั่นแหละอไม่มีความสํารวมระมัด ร, ระวังอะไรมันขัด ขัดกันยิงๆนนะแค่กุ๊กก๊กติ๊กติ๊กๆติ๊กต๊เนี่ยอืมอืมอ้อมอ้อพูดกระซิบก็ทราบกันเนี่ยเขาไม่ได้คิดเห็นเป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรแต่ผู้ที่มันมีจิตมีจิตสงบสงับเนี่ยมันโอ้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันกระทุ้งกระทุ้งกระแทกแก้วหูเนี่ยมันขัดความรู้สึกอันนี้จิตเม้่จิตมันเริ่มเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้น บางคนถึงก็ต้องหนีหมู่ไปเลยแง้หมุมสงกไปหาที่สงบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทําไงเราจะทําให้ไม่ได้ต่อเนื่องเพราะะฉการเจริญสตินี่เราสามารถสํารวมได้เราสามารถสะสมได้สามารถสํารวมได้ทุกอิริยาบถไม่มีเสียเปรียบใครที่ปล่อยแต่ละอิริยาบถนะไม่ปล่อยสติเข้าไปควบคุมเขาท่า น, น, นเสียเปรียบ คนที่ตั้งใจทำได้ทุกอิิยาบทจะยืนจะโดนจะนั่งจะนอนจะทำน้ น, จ ะ, น, นจะทำนี้นี่ท่านไมาให้ทิ้งท่านมาให้ปล่อยเราจะทำอะไรเราจะทำข้อวัดของเราเราก็อยู่กับ เ, เ, เ, เ, เรื่องเดียวเราจะปัดกวาดเราก็อยู่กับเรื่องกว่าเรื่องเดียวมีสติกำกั บ, กกบอยู่จอมันสืบเนื่องอยู่ไม่ไม่เปิดช่องให้ให้นิวรมันเข้าให้กิเลมเข้า เราเกิดช่องเปิดช่องปั๊บหนีดวอนเข้าแล้วไม่กมารมฉันทะก็พยาปาทะไม่ไม่พยาบาทะกับทีนามิตทะความงงเหงาห้านอนบางทีก็จิตคิดปรุงจงปรุงซ่านอุฏะจักกุกุฏจักกุฏะจักกุฏกุฏจันติไปชานาติอย่างที่เราสวด น, นนะั่นบางทีก็ลังเลสงสัยคิดลังเลคล่องใจข้างหน้าคล่องใจข้างหลังอยู่นั่นแหละ สิเราได้ไปกวนจิตทําให้จิตไม่ได้ความสงบอืทํำข้อวัดเราก็อยู่กับข้อวัดปัดกวาดแล้วก็อยู่กับปัดกวาดเนี่ยต้องทำให้มันสงบเหมือนกิริยาที่เราทํากวาดเคลียเคียเคลียเคลี ย, เ, ยเห็นหมดอหะกิริยาที่เราเคลียใบมงใบไม้มันอะไรอะไรเห็นหมดสมมตนนิเกิจดจออยู่นั่นนะกวาดเป็นกองแล้วเก็บแล้วก็ไปทิ้ง ทำอะไรก็อยู่กับอันนั้นแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งไปเรื่องอื่นพุ้งไปเรื่องอื่นไปเก็บนู่นไปเก็บนี้ไปปัดนู่นไปถูนี่ไปเช็ดนู่นไปเช็ดนีน้ไปทําอะไรจะลุกจะเดินจะเก็บจะเมี่ยนจะอะไรแต่ละอยู่กับอิริยาบทเดียวทั้งหมดเป็นการรักษาสติอย่างพืชต่อเนื่องนี้สะสมสะสมให้เกิดกิริยาอาการที่มันเข้าไปสงบพึงอภิจิตของเรา ทำให้จิตว่าเรามีสติสติกับสัมปชัญญะอยู่ด้วยกันนั่นแหละเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละคือลักษณะของสัมปชัญญะนะฮะทำให้ต่อเนื่องกันเข้ากลายเป็นปัญญาการแน่นหนามั่นคงของผู้รู้เหล่านั้นลกลายเป็นเรื่องของปัญญาทาบ่อยๆขัดสีกันบ่อยๆหนักมาเข้าจนกลายเป็นปัญญายา ถึงนั่นปัญญาอางนี้มันเลยเนลึกซึ้งเข้าไปเห็นถึงหลักถึงต่อถึงก้นบึ้งของสัจจะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อกวรจะเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรหลังก็จะเริ่มเห็นเห็นสัจจะเห็นของจริงเห็นกองแต้ของจริงของแทบรากรดในจิตของเราทําไมอาศัายจิตสงบมันเห็นไม่ได้จิตวกวอกแปก๊แปกๆอ๊กยุ่งน้นยุ่งนี้ไม่มีโอกาสจะเห็น ยิ่งคนไม่ตั้งใจสำรวมระมัดยุดระวังอยู่แล้วเนี่ยกิริยาอาการดูน่าเกลียดทั้งเหลือบตาทั้งหันทั้งมองทั้งรีทั้งขวางทั้งก้มทั้งอะไรทั้งอะไรไม่อยู่ในท่าทีที่สำรวมระวังดูออกคนที่ตั้งใจสำรวมระวังคนดูไม่ออกอ้คนคนไม่สำรวมระวังเนี่ดูออกคนตั้งใจสำรวมระวังนี่ดูออก คนที่ตั้งใจสำรวจระวังนี่หน้ า, ด, าดูงามไปหมดงามไปหมดความรู้เหล่านั้นนะต่อกันพืชทําให้เขารู้สึกน่ารู้สึกตัวตลอดนี่มันเป็นการสะสมสติสัมปชัญญะมันเท่ากับเป็นการสะสมสมาธิไปในตัวเท่ากับเป็นการสะสมปัญญาไปในตัวสะสมบุญไปในตัวนี่แหละบุญบุญจะพึงเกิดเกิดเกิดขึ้นในหัวใจ บุญอันนี้เราไม่ต้องเสียห้าเสียสิบแล้วเพียงแต่เรารักษาวเวลาให้เวลามันล่วงไปเสียเปล่าทิ้งเปล่าจะทํางานจะปัดจะกกว่าจะเช็ดจะถูจะตีหมอ้อตีหายทำนู่นน่ะทาอาหารกะป่จังหันเนี่ยเอานั้นมาหุงเอาอันนี้มาต้มเอาไปเก็บอันนู้นไปเก็บอันนี้อยู่กับเรื่องเดียวหมดเรื่องนี้ไปทําเรื่องนู้นก็อยู่กับเรื่องมันเปลี่ยนไปกับเปี่ยนคือเรื่องอะไรก็เปลี่ยนไปตามมัน แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานและก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวทำไงเราจะรักษาสติสัมปชัญญะของเราให้อยู่กันเรื่องกับตัวตลอดก็จะได้เป็นพลังของจิตเป็นพลังของสติสติรวมตัวกันมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, ากลายเป็นปัญญาเนี่ปัญญาตัว น, นี้เลยจะทําทให้จิตของเราเนี่ยส ว, าสวย่างสวัยสมุทัยการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาหรือกิเลส ต, ตันหาเนี่ยมันแทรกเข้ามาที่จิตของเราไม่ได้ พอมันเริ่มโผล่จะออกมาลเราก็รู้ทันมันก็ไม่กล้าโผล่เริ่มนูนๆเริ่มดันจะโผล่มาเราก็รู้ทันมันไม่กล้าโผล่มิกล้าโผล่เราทำจนชินอยู่แล้วมันไม่กล้าโผล่มันไม่กล้าโผล่ก็คือมันเอาผลผลิตใหม่ๆเขามันแสดงมาโชว์ไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะเรามีสติเรามีสัพญญาเรากับควบคุมอยู่มันเกิดไม่ได้จากนั้นแล้วสมุทัยตัวเก่าที่มัน ฝังรกรากอยู่ในจิตของเราเราพยายามขบเจาะคลี่คลายขุดคุยลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปที่ไหนลึกเข้าไปที่กายเพราะมันฝังอยู่ตามกายฝังอยู่ตามวิจญาฝังอยู่ที่ใจนะสมุทยัยตัวที่มันอยู่ตรงไหนฝังอยู่ที่กายก็เราเข้ามาคลี่คลายตายกายเป็นเรากลายเป็นของของเราอืมรูปเป็นเรา พูกเป็นของของเราหูเป็นเราเสียงเป็นเราเสียงเป็นของของเรา<ม>ถ้าให้ตัวนี้มาแทรกเข้ามาแล้วมันจะมีกิริยาการเป็นอย่างนี้เห็นเป็นเราเห็นเป็นของของเราไปหมดแต่ถ้าอะไรอยู่ในท่าทีที่สงบระมัดระวังมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราก็พยายามขุดคุยเข้าไปสอบดูไปถามดูได้เราหรือ กายของของเราหรือมิตรจริงจริงกายเห็นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราของเขาหรือของใครหรือเวลาจิตเราอยู่เวลาจิตเราไม่หนีจากก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นน้ำเดียวกันกับเราแต่เวลานี้จากไปแล้วเนี่ยเอาไปใส่ไฟกายนี้ก็ไม่รู้เรื่องอ่าเอาไปใส่พื้นเอาไปใส่ไฟร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่กายนี้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะผู้รู้นั้น โดดลงไปแล้วโดดออกไปแล้วเป็นของเราวไหมเป็นขอเราทําไมไม่เอาไปด้วยเอาไปไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเป็นถ้าเป็นครูหาเป็นรูปธรรม ท, ที่เรามาเกี่ยวขอ้องอเรามาทำความรู้สึกอยู่กับกายตัวนี้ออกมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางยิ้มทางกายทางใจชั่วงระยะเวลาตลอดอายุไขที่เรามีอยู่เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละ เพื่อเป็นเพื่ออยู่ถ้าไม่ได้ฝึกผลอบรมเรียนรู้ถึงเรื่องเพื่องการสร้างคุณงามความดีได้แล้วเอาไปทําช่วยชาลาโมกสารพัดเอากายนี้เอาจิตนี้ไปทําช่วยชาลามกสารพัด เ, เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่เป็นรกรากเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มันฝังอยู่ในจิตตัวตัณหามันฝังอยู่ภายในจิตตัณหาใหม่เกิดขึ้นมาได้แต่ตัณหาเก่ามันโดดดิ้นโดดลดเต่นอยู่ข้างในอมันยึด มั่นด้วยตันหาด้วยอุปาทานเป็นรกเป็นร่างอยู่ข้างในเราตั้งใจปฏิบัติไม่ให้สิ่งเหล่านี้อันใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็พยายามขุดคุยเข้าไปข้างในเหมือนกับเราวิดน้ําำปิดช่องปิดรูมไม่ให้น้ําใหม่มันเข้าไปน้ำเก่าที่มีค้างอยู่ในเรือเราพยายามวิดต่อกิดออกวิดต่อเป็นข้ออุป ม, มาเราพยายามค้นดูความหลงที่กายหลงมาที่วาจาลงหลงมาที่ใจ หลงมาที่ตายหลงมาที่เวทนาหลงมาที่สัญญาหลงมาที่สังขารหลงมาที่วิญญาณมันหลงนะพอมันหลงแ ล, ล้มันก็เยึดยึดว่าตายเราว่าถกายของของเร า, เ, party, เ, ราเวทนาเราเวทนาของของเราสัญญาเราสัญญาของ ข, ข, ของเราสังขารเราสังขารของของเราวิญญาณเราวิญญาณของของเราก็หนดจับจอดูก็ได้ ทำความรู้สึกอยู่เฉพาะกายโอ้อนี่กายนี่กายนี่กายทางความรู้สึกอยู่เฉพาะกกาาายยทควมรูู้สึอ่เฉพาะเวทนาซุกทุกอุเบกขานี่เวทนาดีใจเสียใจนี่คืออุเบกขาเวทนาอ่าซุกทุกเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัตเวทนาโคมนัติเวทนาถ้าเวทนาภายในจิตเขาเรียกว่า โธมนัสเวทนาโ ส, สโมนัสเวทนาดีใจโธมนัสเวทนาเสียใจก็จะมีสักแยกเรียกเรียกไปข้างในโธมนัสเวทนา processing. โสมนัสเวทนาดีใจโธมนัส enfin เวทนาเสียใจลุกขมัสสกโสมนัสเวทนาลูกขมัสสกโสมนัสเวทนานเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข เป็นเวทนาศึกษาให้รู้รู้ว่าโอ้กิริยานี่เป็นกิริยาของเวทนาเป็นสัญญามันหมายจิตมันหมายเป็นรูปย้อนเข้าไปดูที่ผู้รู้เราโอ้เห็นเป็นสัญญาจริงๆรโอ้รูปป็นสัญญาโอ้เสียงสัทธสัญญาเสียงสัทธสัญญาคานาสัญญาขันทะสัญญาโพธภะสัญญาความกระทบของกาย กายมันไปกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งอันนี้เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของอารมณ์เป็นส่วนประกอบของความรู้สึกทั้งหมดแต่เราไม่เคยมาพิจารณาเราไม่เคยแยกแยะเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเข้าใจ ก, ก็เลยกิเลสก็เลยใช้สัญญาอารมณ์ตัว น, นี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออทําให้เราสะสมกิเลสตรงนั้นกิเลสตรงนี้นกิเลสกองนั้นกิเลสกองนี้สะสมเข้ามาติดในลักษณะของ สัมผัสเน่โพธาพะสัญญาถ้ายิ่โพธาภะเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันก็เป็นโพธาภะสัญญามันแทรกเข้ามาตามสัญญากระทบเย็นกระทบร้อนอแต่ถ้าหากไม่ให้สัญญาที่เป็นตัวสมุทัยมันแทรกเย็นก็รู้ว่าเย็นร้อนก็รู้ว่าร้อนอ่อนก็รู้ว่าอ่อนแข็งก็รู้ว่าแข็งก็ผัดเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้แต่ถ้าหาก เราปล่อยให้ตัญหามันมายุแย่ก่อกวนมันนึกถึงสัมผัสสัมผัสเคยเนิ่มเคยนวลเคยอุ่นเป่นอย่างนาันหนาวสันนิษานึกว่านึกถึงความอบอุ่นเราไปนั่งไปนั่งไปนอนบนสิ่งที่แข็งกระด้างแล้วนึกถึงที่นั่งที่นอนที่นุ่มๆนิ่มๆเคยสัมผัสนะยิ่งสัมผัสเพศรองข้ามโดยแล้วเนี่ยโอ้ยเคยสัมผัสแล้วก็มันตู้ซ่าก ร, กระตุ้งกระติ้งนั่น คือเรื่องของตัญหามันแทรกเข้ามาอแต่ถ้าหากเรามีสติมีสัมผัสัญญัทันเจริญกรรมฐานอยู่ในทีเนี่ยเจริญกรรมฐานอยู่ในทีสัมผัสถ้ก็ว่าสัมผัสสัมผัสก็คือสัมผัสแล้วดูไปที่ความสัมผัสอมีความนิ่มมีความกระดา้างอกระดูนิ่มกระดูกนิ่มกระด้างกรู้ว่ากระด้างแต่สัมผัสมันจะสําคัญมันหมายเติมเข้าไป โอ้สัมผัสผู้ชายโอ้สัมผัสผู้หญิงเนี่ยกระตุ้นกระติงต้งเติมเข้าไปอีกดูทิมันเป็นเส้นทางที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหาไม่หยุดไม่หย่อนพวกเราหลงเพลินกับสิ่งเหล่านี้แหละทําให้เราพลอยทุกพลอยเดือดร้อนไปกับมันกิเลสตัณหาในอัตตาสวรรคหัวใจของเราเนี่ยรุนแรงเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นโอกาสที่เราจะศึกษาและย้อนมาพิจารณาในข้อปฏิบัติที่ละเอียดเหล่านี้มันมีได้ทาความรู้จักทางเวทนากับสัญญา กับสังขารกับปิญญาณสังขารก็คือจิตปรุงดีจิตปรุงชั่วนึกดีนึกชั่วนึกดีปุญญาสังขาร น, นึกชั่วปุญญาพิสังขาร น, นึกไม่ดีไม่ชั่วเป็นโอเบขาอนเนญชาพิสังขารเช่นอย่างผู้ที่ผู้ที่อยู่ในระหว่างเข้าฌานท่านว่าเป็นสังขารเหมือนกันอนเนญชาพิสังขารไม่ไหวไปตาม ไม่ไหวไปตามไปไปตามมันเป็นความสงบนิ่งคือการเข้าฌานจิตไม่ได้มีกิริยาการโหลดดิ้นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสเพราะจิตมันปล่อยจิตมันวางแต่ยังเป็นตัวสังขารอยแล้วก็บิน ญ, ญาณบิญยาณนี้ก็แป๊บเดียวตาเห็นรูปแป๊บเดียวตานี่ก็เป็นรูปนะรูปก็เป็นรูปไม่แหงหาม ไม่ใช่มีความรู้ไม่ไม่ใช่มีความรู้สึกแต่อาศัยความรู้สึกก็เพราะว่ามีใจเข้ามารับทราบเป็นจักขุวิญญาณรู้แจ้งทางตาใจออกมารับรู้รู้แจ้งทางตาจักขุโสตะคานะสิวหากายะกายาวิญญาณการกระทบทางกายสรุปลงแล้วก็คือจิตดวงเดียวเนี่ยมันทำหน้าที่หลายๆอย่างเป็นกิริยาเป็นอาการหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ธรรมะทำให้เราวิภากวิจัยวิจารณจําแนก่ะแจกแบ่งกระจายที่เขาเรียกว่าวิพากวิพากกระจายถ้าเราไม่กระจายมันก็เป็นก้อนมันก็เป็นแท่งทําให้เราพลอยหลงไปกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งแตนจะเห็นว่าเป็นอัตตาเหมือนอย่างที่ท่านบอกทสอนมันไม่เห็นเห็นเป็นอัตตาเห็นเป็นก้อนเห็นเป็นแท่งไปหมด โดยเหตุที่เราไปจ่ายทั้งส่วนที่เป็นรูปทั้งส่วนที่เป็นนามเนี่ยมันก็จะทําให้เราเริ่มรู้จักปิฎยาอาการของสื่อที่เกิดขึ้นจากตาของจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นจากรูปปัสภาวะเกิดขึ้นจากนามปัสภาวะภาวะคือคำว่าปสภาวะคือความมีของมันความเป็นของมันเราไม่ศึกษาเราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจรยืนเดินนั่งนอนบนมันแหละแต่เราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจ รู้จักรู้จักแต่ว่ามันไปนกอบกอยทุกมาแสดเดาแล้วเราทุกแล้วเราเดือดร้อนแล้วมันพันแล้วโอ้ยเผลอไปกับมันแล้วทุกอีกแล้วเผลอไปกับมันแล้วทุกอีกแล้วเผลอไปกับมันแล้วทุกอีกแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวพาเราเผลอขาดงานขาดสติเกดจอขาดสัมพันธะขาดปัญญาทําให้เกิดความรอบรู้ต่อเนื่องนี่การดูแลรักษาจิต การปฏิบัติธรรมการดูแลรักษากจิตการตามควบคุมจิต จ, จึงเป็นหน้าที่ที่ของเราที่เราควรจะรักษาไว้ใครใครเป็นคนรักษาไว้ได้ดีได้มากได้น้อยเท่าไหร่อยิ่งเราตั้งใจทํากิตให้ได้ความสงบอยู่แล้วเนี่ยพยายามศึกษาให้รู้เท่าทันนิวรณ์ไม่งั้นนิวรณ์มาครอบ ง, งำเนี่ยนึกเรื่องตาไม่ฉันท์เลือกนึกเรื่องพยาบาท ความโกรธความเครยียดความแค้นความขัดข้ อ, องหงอยใจกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้ น, น, นกับเรื่องนี้คนที่มีเจ้าอารมณ์โทสะเนี่ยแม้แต่กับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของก็เครยียดเดินไปไปสะดุดก้อนหินนี่ยนะเครียดให้ก้อนหินแล้ยเดินไปสะดุดตอเนี่ยเคยรียดให้กับตอเละดีไม่ดีเตะเตะตอเสียพังไปเลยเตะก้อนหินเจ็บกระเด็นไปเลยนั่ น, นแสดงว่าเขาปวดนะสิ ตีนแตกบางคนก็เห็นไหมเวลาเค ร, ครเคียดในครอบครัวเครียดขึ้นมาแล้วไฟฟ้ามอสไฟฟ้าหายในี่พังมั้งะทุกตีมอทิ้งพังหมดพอหายกโกรธมาไปหาซื้อมาไมไม่ซื้อมาไม่มีอะไรหงุดหงิดนั่นดูนดมันโง่มันฉลาดตามพิจารณา ด, ดาูผู้ที่ตั้งใจอบรมสั่งสมคนนั้นจะฉลาด การตั้ง อ, อกตั้งใจทำทุกครั้งได้บุญนี่แหละคือบุญบุญนี้เป็นบุญเป็นก้อนเป็นแท่งฝังอยู่ในหัวใจของเราตายแล้วไปด้วยกันคนที่ไม่เคยฝึกฝนอบรมไม่มีบุญตายทั้งใจที่มืดมืดไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยมืดบอดทึบตืโอ้ยตายแล้วก็ไปอาบายนั่นหละไปเป็นสติไรฉานมืดบอดอยู่นั่นแ่ะขาดความสว่างด้วยปัญญา มีชีวิตจิตใจมีอะไรอยู่แต่ถ้าดูไปแล้วมันขาดปัญญาเนี่ยก็มือนก็คนตาบอดมีชีวิตอยู่ก็มอนก็คนตาบอดเพราะมันไม่มีปัญญาปัญญาคือความสามารถเขาจิตคิดนึกได้อะไรได้ฉลาดเฉลียวพลิกแพลงรู้ทันเห็นทันเห็นทันโน่นเห็นทันนี้โปร่งสว่างโอ้คุนวิเศษใครก็ต้องการทั้งนั้นนหละ ไม่แต่เราได้ยินได้ฟังเราก็อยากได้แต่อยากเฉยๆไม่ได้ดอกเราต้องตั้งใจทำเอาเอานะตั้งใจทำเอาตั้งใจทำได้ไม่เลือกภัยไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเด็กหนุ่มสาวเท่าแกแง่ประแงใกล้จะตายไม่เลือกวัยทำได้ทุกระยะทุกเวลาไม่เลือกเพศ เพศชายเพศหญิงเพศสมณะเพศนักบวชไม่เลือกใครตั้งใจทําได้เป็นสมบัติของคนคนนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีเสียเปรียบไม่มีได้เปรียบใครไม่สนใจคนนั้นเสียเปรียบใครสนใจไม่สําคัญว่าเพศใดวัยใดคนนั้นได้เปรียบตั้งอกตั้งใจทําคนนั้นเท่าว่าเปการสแสวงหาอยู่ในเพศใดอยู่ในวไัยใดได้ทั้งนั้นไม่มีเลือกเพศไม่มีเลือกวัย ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพศนักบวชไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ทีนน่นู่นที่นี่ตั้งอกตั้งใจทแล้วสำเร็จประโยชน์ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจถือประพฤติถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ชนแห่งตนแห่งตนเอาละวันนี้พอสมควร